พระธรรมเทศนาแผ่นที่74ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าดูแลช่วยกันภายในวัดโดูแลนุกตา นี่คมหมู่พวกเพื่อนช่วยกันดูนะขาดหรือขาดตกอะไรปรึกษากันถ้าต้องการยาไปหามหมอกระบอกหมอของเรามีทุกระดับแต่ตามไม่จริงอันนี้เป็นไวรัสตาแดงมันเป็นไวรัสติดกันได้เร็วนะขนาดมองตากันติดกันได้แล้วนะ <laughs> ไวรัสเนี่ยติดเร็วที่สุดนะเออ ขานาดจับของใช้ด้วยกันเพราจับเนีเกิดนั่นแหะติดแล้วไวรัสเนี่ยตัวนี้เป็นไวรัสที่นั่นแต่เขาเจ็ดวันเขาเจ็ดวันแล้วก็หายละอายุของมันได้เท่านั้นแล้วก็แต่ว่าการติดเนี่ยติดเร็วมากเพราะฉะนั้นทําให้จําเป็นก็ให้อยู่ระวังระวังไวเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนถ้ามันเข้าโรงเรียนไหนก็ต้องได้ปิดโรงเรียน เรมันติกกันไปหมดมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งไวรัสมันมีหลายพันมันมีหลายแนวทุกวันในกำลังฮือฮากันหาดังอย่างมากๆสื อ, อีโบโลาภาษาอีสานเอาไอีโบลาเลยเป็นสื่อง่มากเลยอีซีมาอีอีโบลาอีบุนมาดอันนี้ต่้งชื่อว่าอีโบลาเอาไป อยู่แถวแอฟริกานะติดหมอติดแพทย์ก็ตายเขากักกันคนไม่แหกขยับขยื่นไปมาอีโบลามันฆ่าคนหลายพันคนแล้วแต่ยังไม่เข้ามาเมืองเมืองไทยครยๆก็กลัวกันไปหมดเป็นไวรัสชนิดหนึ่งแต่อย่างรุนแรงไวรัสตัวนี้ชื่อมันอีโบลานะ่าแล้วก็ ไวรัสเอชเนี่ยนะอันนี้ก็มาจากแถ บ, แถบนั้นเหมือนกันเข้ามายังปรับไม่ลงอยู่ทุกวันนี่อันี้ก็เชื่อไวรัสเหมือนกันแต่ไวรัสบางตัวก็หายเร็วบางตัวก็นั่นแหะเจ็ดวันโดยมากไวรัสแต่ยเจ็ดวันถ้าเรามีร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งก็ไม่มีปัญหา ถ้ามันมีทาร่างกายอนะ่อนแอเนียไวรัสจะเข้ามาเหยียบได้ง่ายง่ายวันนี้เป็นวันอุโบสถแต่เมื่อวานเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบแต่วันวันนี้เป็นวันแผ่นจริงๆในขณะที่ฝ่ายธรรมยุทธ์ของเราท่าน รัชกาลที่สี่เนี่ยท่านเป็นโหลาศาสตร์ชั้นเยี่ยมของประเทศเกือบจะว่าของโลกแล้วนะท่านคำนวณพระจันทรกติวันไหนพระจันทร์เต็มดวงวันไหนพระจันทร์พ่องเขาก็ยึดตําลาของท่านว่าวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงจริงๆแต่เมื่อวานเนี่ยพระจันทร์ยัง ยังไม่ยังพ่องอยู่หน่อยๆเพราะนั้นฝ่ายธรรมยุทธ์ของเราถึงจะเป็นวันพระเมื่อวานนี้แต่ก็มาลงอุโบสถวันนี้เพราะพระจันทร์เต็มดวงแต่เนี่เราก็ต้องสวนใหญ่คือธรรมยุทธ์ของเรากำหนดวันนี้เราก็ต้องลงวันนี้แต่ลงปู่จามหลายวัดเหมือนกันนะหลายวัดเหมือนกัน เขาลงตามปักเลยอย่างเมื่อวานสิบห้าขั้มเขาก็ลงตามปักสิบห้าขั้มไม่ได้ลงวันนี้ผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะ15บห้าขั้เหมือนกันไม่ผิดทั้งสองอย่างนั่นแนหะถูกทั้งสองอย่างพอสําคัญก็ให้พวกเราอยู่ด้วยกันพร้อมเพียงสมัครีกันมีความเห็นตรงกันมันไม่ผิด ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันทั้ง30กว่าองค์กลุ่มหนึ่งอยากจะลง15หาคั่กลุ่มหนึ่งจะลงหนึ่งคั่นั่นแหละอันนั้นแหละไม่ถูกแล้วสิผิดถ้าหากว่าพร้อมเพียงสัมมาเ ก, กีกันโกไม่มีอะไรแล้วก็ให้พวกเราทุกๆองค์นะจากนี้ไปหนึ่งเดือนก็เป็นวันออกพรรษาแล้วล่ะแล้วก็ให้เตรียมเตรียมคิดเอาไว้ ใครบ้างเพราะมันเป็นทีมใหม่เรื่องการสวดกรถินก็ดีเรื่องคำภาวนาออกพรรษาก็ดีก็ให้คิดๆกันเอาไว้ผู้ใหญนะ่ที่มีอายุพรรษากนเตือนๆกันแล้วก็ในช่วงสุดท้ายของจะออกพรรษาเนี่ยยังไงยังไงก็ให้พวกเรานะลูกหลานทั้งหลายนะให้ทั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาจริงจังและจริงใจกลางคืนนะ เราจะไปเดินยกลมที่ไหนถ้าฝนไม่ตกเดือนหงายเราจะไปเดินโยกลมไม้กั้นสองทางถ้าเป็นปูนซีเมนอะไก็น่แถวสะน้ำแถวอะไรที่ไหนที่มันโลง่งๆเห็นได้ชัดกับไม้พลาดก็เดินโยกลมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจุดเทียนนะแล้วก็ถ้ามานั่งภาวนา อันดับแรกเราก็ไหว้พระก่อนพอไหว้พร ะ, พระเสร็จเรียบร้อยแล้วสามสี่ทุ่มเราลุกตากำลังเทศเเราก็ฟังเทศสักการณ์นหนึ่งเพื่อประดับสติปัญญาของเรามาหาโอกาสจะไน้หาไดอยากเมื่อเราเป็นครวญวัดแล้วไม่มีทางไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมเทศนามาอย่างนี้เราหาโอกาสถึงจะไม่อยากฟังก็บังคับนะบังคับให้ฟังสักกันนึง ต่อไปก็เคยชินแล้วไงพอเคยชินเข้าไปไม่ได้ฟังธรรมเทศนานเหมือนกับมันขาดนจากนั้นเราก็นั่งพภาวนาจบการเทศกันหนึ่งแล้วก็ปิดซะเ อ, อืมือ่อ ป, ปิดวิทยุเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาต่อกําหนดภาวนาต่อที่เราได้ศึกษาอะไรมากับฟังแล้วก็ต่ออดปังปอไปนานเท่านานทั้งได้เวลาก็ยังค่อยพักพอ ตอนตื่นตีสามตีสีมาแล้วก็มีเวลาไหมถ้าไม่มีเวลาก็นั่งภาวนาเลยถ้ามันมีเวลาอยู่เอาเปิดฟังอีกทักกันหนึ่งแล้วค่อยปิดนี่แหละอันนี้ก็คือตอนกลางวันในหลวงตาทางประเทศทั่วทั่วไปเราจะจะฟังปฏิพาน์โวหารของท่านหรือครูบาอาจารย์แนวความคิดหลากหลายองค์ หลวงปู่หลวงตาที่ท่านผ่านไปแล้วที่ท่านจุตินิพพานไปแล้วท่านพูดอะไรไว้บ้างเราจะฟังตอนกลางวันเราก็ฟังได้เนี่ยปิตยุของเราเนี่ยผมเองผมไม่ได้คิดว่าขาดตกบกพ่องในการอบรมแนะนําพระลูกพระหลานนานๆก็ให้แสดงแสดงความคิดเห็นให้ฟังซะควรทําตัวอย่างงั้นอย่างนี้นะพระลูกพระหลานนะ สรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เปล่าประโยชน์ที่เข้ามาบวชทั้งทีมาเล่เลเล่เลเลื่อนเลื่อนหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้ศึกษาแล้วก็ได้นำทำคำสอนหรือความรู้ที่เราได้มาบวชในคราวนี้ครั้งนี้ได้นำไปประพฤติปฏิบัติ ในเมื่อเราเป็นฆราวาสมีความจำเป็นแต่ว่าผู้ที่ไม่มีภาระทุระไม่มีอะไรอย่างสองจิตสองใจจะอยู่แล้วไปหลวงพ่อตัดสินใจให้เลยว่าควรจะอยู่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นศึกไปก็เท่านั้นละ่ะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างหลวงพ่อใช่แล้วหลวงพ่ อ, อยู่ได้แต่หลวงพ่อก็บภาคภูมิใจ ว่าคิดถูกที่เราเข้ามาบวชอย่างนี้เพราะเราไม่ได้เบียดเปลี่ยนใครอยู่แบบอิสระอยู่แบบทักพลดทักปวดอยากจะให้พวกเราพวกเราท่านทั้งหลายครองผ้าเสเวียงบาสนะมากราพระทานะข้าพเจ้าขอปอบกายฉกถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาชีวิตนี้ข้าพเจ้าพบกายถวายชีวิตเป็นอย่างอื่นไม่ได้อยู่ในศาสนาตลอดไป ข้าพเจ้าจึงจะขี้เกียจขี้คลานอย่างไรมันขยันอย่างไงข้าพเจ้าจะบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตามธรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งไหนที่มันชั่วที่มันผิดวินัยที่มันไม่ถูกต้องข้าพเจ้ารู้แล้วข้าพเจ้าจะไม่ทําสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดข้าพเจ้าจะประกอบแต่คุณงามความดีเท่านั้นชีวิตนี้นี่แหละผมเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเด็ดเดียว กล้าอาถรรพ์แล้วมันได้อะไรมันสบายใจนะมีความสุขใจลึกๆนึกขึ้นเมื่ อ, อไหร่กันนะั้นนะถูกต้องเพรา ะ, ะนั้นก็ให้พวกเรานะลูกหลานทางลายนะให้เป็นผู้ใส่ใจให้เป็นผู้มุ่งมั่นในอัดในธรรมหลวงพ่อก็ได้ย้ําแล้วย้ําอีกตารับตาราเราก็มีที่ห้องสมดุดธรรมเทศนะ ของหลวงตาเนี่ยแหละเป็นหลักแหละในยุคปัจจุบันนี่ค่ะธรรมเทศนาหรือว่าเทศของหลวงตาเน่ยเลิศประเสริฐที่สุดพูดอย่างนั้นได้ชั้นเชิงเลี่ยเลี่ยมเรื่องกิเลสเรื่องหลักธรรมพราะท่านได้เป็นมหาทางโลกก็เป็นมหาป ร, ริญญท่านก็รู้เรื่องกฎระเบียบเรื่องอัดเรื่องธรรมทั้งฝ่ายปฏิบัติปฏิบัติท่านก็อยู่กับหลวงปูมั่นท่านก็เชื่อมั่นในตัวเองของท่านอีก ท่าประกาศได้ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านเราฟังดูแล้วก็ที่ท่านอธิบายทำข้อไหนเราก็ไม่ได้สงสัยว่าท่านอธิบายไม่ถูกต้องฟังดูแล้วไปตามแนวแถวที่องค์หลวงตาแนะนำจริงเพราะนั้นอยากจะให้พระลูกพระหลานน้องหนุ่งทั้งหลายดูๆนะให้สังเกตให้ฟังนะ ธรรมเทศนาขององค์หลวงตาและก็พร้อมกันก็ให้มีศีลาจารวัดกิจวัตรข้อวัดให้เข้มแข็งใครมีหน้าที่อะไรต้องตรวจตราดูห่องน้ำห่องนงห้องน้ําที่ใครๆมาเกี่ยวข้องพราะแต่ละวันเนี่ยอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ละวันไม่ใช่น้อยเพรานั้นเราเป็นเจ้าของบ้านเราจะทํา ไม่ใส่ใจฉเฉลยก็ไม่ได้เราก็ต้องดูแลบ้านของเราอันนี้แหละคือดูแลพุทศาสนาดูแลพระพุทธศาสนากันดูดูแลวัดเนะี่ยดูแลวัดว่าศาสนากันดูตลอดที่พักพา้าอาศัยห้อ ง, องน้ห้องน้าาําสงศาราบริเวณลานวัดต่างๆเนี่ยรักษาพุทศาสนาแต่ว่าพวกเราไปดูแลไม่รักษาเ ป, เปืเปเ่อนเปะรอะเทอะลกลุงหลังไปหมด เขามาใครมาก็ตามพธบริษัทสี่มาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอนะ่ะโอ้ยไม่ไปอีกแล้วเห็นแล้วไม่น่าเลื่อมใสอะไรลกลุงลังไปหมดสิ่งเหล่านี้เนี่ย้พวกเราท่านทั้งหลายผู้อยู่ที่อยู่เบื้องในอยากจะให้พวกเราช่วยกันแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ น, นะตามไม่ใช่ว่าเราไปจบไปแจง้ง ฆราวาสญาติโยมจนเกินไปก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราอยากจะให้ทำความตามความเหมาะสมให้ถูกต้องให้เป็นธรรมแล้วก็ศาลาข้างนอกเหมือนกันผู้พระเวนศาลาเนี่ยพอฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วคนออกมาหมดแล้วหดวงพ่ออยากจะให้ปิดไว้กลางวันนะไม่ใครไม่อยากจะให้คนจุนจ้านวุ่นวาย บางคนเข้าไปบางที่มาที่ไหนก็มาแวะเข้าไปการดูแลรักษาเป็นหน้าที่ของพระของเราก็เป็นภาระขึ้นมาอีกพอพระเวนศาลาของเราไม่ได้ใส่ใจผมเองหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นพอออกมาจบแล้วก็ปิดไว้ซะแต mm ่ hmm. ถ้าใครอยู่ข้างในก็เอากุญแจมอบไปเขาซะช่องไหนประตูช่องไหน แต่เขาได้ใช้แต่คำชับเขานะจะไปเปิดสุม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้เวลาเข้าไปแล้วก็ปิดไว้เวลาจะออกมาค่อยเปิดแล้วก็เวลาพระจะไปทํากิจวะวัดของวัดแต่ก็ค่อยไปเปิดกับบมพาคันเข้าไปทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ปิดไว้อันนี้แหละคือรักษาวัดบาศานาไม่ใช่ว่าเปิดไว้ทั้งวีทั้งวัน บางทีคนมาแวะเข้าไปกันนะไปใช้ห้องนองห้องน้ําแล้วใครเป็นคนดูแลแล่ะการทำความสะอาดละ่ะเป็นภาระของหมู่ของเพื่อนของวัดวาศาสนามันก็ไม่ดีเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้ให้ช่วยกันคิดให้ช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาแต่ทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้ห่วงได้ห้ามหรอกแต่ว่าเมื่อมันส ก, กปรกขึ้นมาแล้วเป็นภาระของพวกท่นานเผือเผอพวกท่านจะทะเลาะ ก, กันทีไหน เนีคนนั้นใหม่ดูคนนั้นใหม่แล้วเนีก็เพราะไม่เป็นตาซากเพราะพวกท่านไม่รักษานี่แหละเนี่มต้องรักษาแล้วกจ็จะมีอะไรถ้ารู้จักการวางแผนขอให้พวกเราทุกๆท่านนะช่วยๆกันหลงพ่อเน้นเรื่องความสะอาดนะแล้วก็เรื่องน้ำให้ช่วยกันดูแล้วก็ที่พักพ้าอาศัยแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละคราว ใครจะมาพักบ้างก็ให้ช่วยๆกันดูเป็นหูเป็นตาเป็นภาระเป็นธุระด้วยกันแต่หลวงพ่อก็อยู่ในอีกมุมหนึ่งนะจะให้หลวงพ่อลงมาคุกกับพวกท่านทั้งหลายร อ, อมาคุกตลอดก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของหลวงพ่อเหมือนกัน เ, ออเพราะสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเคยอยู่กับองค์หลวงตามาเพราะนั้นหลวงพ่อกล้าพูดกล้าสั่งกับออให้พวกท่านทั้งหลายทา เพราะเหตุใดเพราะหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตาเนี่ยหลวงตาก็เหมือนกับพ่อเนี่ยเป็นเจ้าของวัดท่านจะให้มาท่านมาดูกุฏิทุกหลังดูห้องน้ำํำพวกเราคิดดูสิถูกต้องไหมไม่ถูกแล้วเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของพระในวัดลูกๆน้องๆทั้งหลายลูกๆทั้งหลายจะต้องช่วยกันดูตอนรับขับสู้แขกคนเข้ามาในพุทธในทิศ ท, ทั้งสี่ จะเป็นพระเนนจะเป็นศรัทธาญาติโยมก็ตามเป็นหน้าที่พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องต้อนรับขับสู้เมื่อเมื่อมาอยู่ในวัดของท่านนสิ่งเหล่านี้นะอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายรับผิด ช, ชอบร่วมกันสรุปแล้วนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเคยอยู่กับองค์หลวงตาตาจะว่าไปสมัยนั้นก็หลวงพ่อก็อยู่ในขั้นหัวแถวเหมือนกันนะ ขั้นหัวหน้าหลวง ป, ลปู่บุญมีท่านก็อายุมากแล้วสมัยนั้นก็50กว่าเกือบหสบแต่หลวงพ่อเนี่ยก็กว่า30มนะกำลังเป็นพระที่ทำงานมีอะไรหนะลวงพ่อจะต้องดูดองแลตรวจตราดูดูแลความรับผิดชอบทุกอย่างในวัดของโลงตาไม่มีระบบน้าประปาอีกต่างหาก แผลจะไปไทยจะมาก็ต้องขนน้ำใส่ห้องน้ำห้องส้วมขนโดยรถเข็นลำบากไหมนี่แหละหลวงพ่อเคยทำมาแล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงยังไงถ้าปล่อยปละละเลยไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจซะเลยนั้นก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นให้ช่วยช่วยกันดูดูแลรับผิดชอบ ำความสะอาดที่มาเหล่านั้นเป็นใครพวกเราท่านทั้งหลายว่าเป็นใครเป็นอริศัตรูของเราใช่ไหมถ้าเป็นอริศัตรูเขาจะมาทำไมเรามาเขามาทำรลายทำลายใช่ไหมม า, าก็มาส่งเสริมโดยเขาโดยความรักเคารพนับถือเลื่อมใสเขาจึงมามาเราก็ถี่นั่นคือทายาทของเราพุทธบริษัท คือกลุ่มของเราทายาทของเราในเมื่อเข้ามาแล้วเราที่อยู่ภายในเฉยๆเมยๆ ม, มาแล้วก็เขาก็เข็ดที่เดียวไม่มาใกล้แต่เราเลียแยงเลี้ยขาเขาก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเราต้องเคารพตอนรับอย่างพระพระมีมารยาทที่ดีตอนรับที่ดีมีนิสัยดีเอืออำนวยตรงไหนที่จะเกิดประโยชน์ พักทีไหนอยู่ยังไงอันไหนที่จะเป็นศีลเป็นธรรมอา้าวหนังสือให้เทศนาให้เอ็มสให้เอาไปฟังเอาไปศึกษาดูนะการที่เท่านั้นแผนที่เท่านี้ให้ฟังฟังดูนะเรื่องสมสินสมาธิปัญญานี่แหละเขาเราอยู่เบื้องในเราก็ต้องบอกกล่าวแนะนําเขาหนังสือเทศกันแต่และการให้ฟังพอฟังแล้วก็จด ใครมาเราจะได้แนะ น, น, นำถูกเทศตรงตานะ่นั่นะสิ่งเหล่านี้เราอยู่ภายในอยู่ข้างใน น, น่าจะเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อว่านะตอนนี้ไปสวนท้ายปฏิโมก